สังคาทิเศษสิกขาบทที่5ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะภิกษุณีมีความกำหนัดรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผู้กำหนัดด้วยมือของตนแล้วฉันเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติน ก, กรุงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีสุนทรีนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทากำนัดรับอา m ิ t h จากมือของชายผู้กำนัดในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐาน เป็นปัทมะปาราชิกสมุดฐานละ